สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบหกนะครับวิกฤตของยอนผู้ให้บัพติศมาน<ม>้องครับพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่เจ็ดข้อที่สิบแปดนะครับผมจะอ่านจนถึงข้อที่ยี่สิบสามครับลูกาบทที่เจ็ดข้อสิบแปดจนถึงข้อที่ยี่ิบสามครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า ฝ่ายพวกศิษย์ของยอนก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นให้ท่านฟังยอนจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคนใช้เขาไปหาพระเป็นเจ้าทูลถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะคอยผู้อื่นเมื่อคนทั้งสองมาถึงพระองค์แล้วเขาทูลว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะต้องคอยผู้อื่นในเวลานั้น พระองค์ได้ทรงรักษาคนเจ็บเป็นอันมากให้หายจากความเจ็บและโรคต่างๆและให้พ้นจากผีร้ายและคนตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็นได้แล้วพระองค์ตรัสตอบสิทธิ์สองคนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอนตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยก็เดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมา ข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุขเรื่องขับวิกฤตในชีวิตของยอนยอนกำลังเดินทางมาถึงบ้านปลายของชีวิตแล้วนะครับในโพธณะพระเจ้าเราได้เห็นว่ายอนผู้ยบับิมาหรือ ย, ยอนเดอบแบปติส์นั้นชิว่าประวัติของเขาก็คือว่าเขาได้เกิดในแฉภูเขายูเดียตอนใต้ร า, ราวหกเดือนก่อนพระเยซูเกิดครับ และคุณพ่อคุณแม่ของยอนคือปุโรหิตเสกริยากับนางเอลิซาเบต์นางเอลิซาเบต์ซึ่งเป็นแม่ของยอนนั้นก็เป็นลูกสาวของปุโรหิตเพราะฉะนั้นยอนนั้นเป็นลูกของปุโรหิตเสคริยาและเป็นหลานครับหลานของปุโรหิตทุสวรรค์มาแจ้งข่าวการกำเนิดของยอนแก่เสกริยาพ่อของท่านขณะที่เสกริยากำกลังปฏิบัติหน้าที่ในพระวิหารที่กรุงเยอเล็ม ทูต ส, สวรรค์กล่าวว่าบุตรนั้นจะจัดเตรียมหนทางสำหรับพระเมสยาหรือพระคลิกและให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนยอนเกิดตอนที่พ่อแม่ชลามากแล้วครับพระกัมพีไม่ได้กล่าวถึงวัยเด็กและวัยหนุ่มของยอนแต่ว่ายอนนั้นเรารู้ว่าท่านใช้ชีวิตเป็นนาสีนะครับนาศีอยู่ในถิ่นพระกระดานนาสีคือพวกอิสราเอลผู้ที่ปฏิญาณตนแยกตัวนะครับ ปรีกตัวออกมาถวายแด่พระเจ้าเป็นพิเศษพวกเขาจะมีวิธีการดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นคือแยกตัวครับแล้วก็รักษาตนให้บริสุทธิ์เพื่อจะทํางานของพระเจ้านาศีบางคนก็มีหน้าที่คัดลอกพระกุมภีด้วยเหมือนกันนะครับชุมชนานาศีเขาจะอยู่ด้วยกันและเพื่อที่เขาจะท่องอ่านพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับยอนเริ่มพันธกิจในถิ่นทรกันดานยูเดียและหุบเขาจอรแดนเขาสวมเสื้อผ้าขนศัตว์นะครับ รับประทานอาหารพื้นๆก็คือจะกระเจนและน้ำผึ้งป่ากผู้เผยพระชนะได้พยากรณ์ล่วงหน้าว่าเป้าหมายของยอันนั้นคือการเตรียมใจหรือเตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเตรียมใจผู้คนครับข <c oughs> อโทษครัเตรียมใจผู้คนเพื่อต้อนรับพระเยซูครับเมื่อพระเยซูปรากฏตัวคงหลายจะมองเห็นและต้อนรับพระเยซูได้อย่างถูกต้องสาระสําคัญที่ยอนประกาศก็คือการกลับใจจากบาปและการรับปฏิเสมา ยอนนั้นเรียกร้องให้คนกลับใจหันจากความผิดบาปครับและรับบัพมาโดยใช้น้ําเป็นสั ญ, ญลักษณ์บ่งบอกถึงการชำระล้างให้บริสุทธิ์พ้นจากบาปเมื่อพระเยซูมานะครับพระองค์ทรงปรากฏตัวต่อหน้าสาธนารณชนพระองค์ทรงขอรับบัพิศมาจากยอนครับสาวกกลุ่มแรกที่ติดตามพระเยซูก็เคยเป็นสาวกของยอนมาก่อนเมื่อพระเยซูเริ่มปรากฏตัวทัศนะของยอนคืออยู่ในพระธรรมยอนบทที่สามข้อสามสิบนะครับ พระองค์หมายถึงพระเยซูครับจะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงพี่น้องครับนี่คือทัศนะของยอนและผมอยากจะให้เป็นทัศนะของพวกเราทั้งหลายทุกคนในการรับใช้พระเจ้าครับเมื่อยิ่งรับใช้พระเจ้าตัวเราต้องยิ่งเล็กน้อยลงครับไม่ใช่รับใช้พระเจ้าแล้วตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นพระเจ้าเล็กลงแต่ทางกลับกันครับเราต้องเรียนแบบทัศนคติวิธีคิดของยอนก็คือว่าเมื่อยิ่งรับใช้พระเจ้าพระเยซูจะต้อง ทรงยิ่งใหญ่ขึ้นหมายถึงคนจะต้องมองเห็นพระเยซูมากขึ้นในจากชีวิตของเราครับและเห็นตัวเองน้อยลงนะครับพี่น้องครับและลักษณะนี้เราจะเห็นว่ายอนั้นได้กระทําตามทัศนคติที่มีต่อการรับใช้ของตนเขาได้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องเมื่อเขาเห็นความผิดบาปของเฮโรดนะครับเฮโรดนั้นคือเฮโรดแอนติพัสแห่งกาลิลีครับ เฮโรลด์แนดิพัสคนนี้เนี่ยไปเยี่ยมน้องชายที่โรมและก็ชักชวนน้องสะพ้ายให้มาอยู่กับตัวเองที่กาลิลีหลังจากนั้นเฮโรดก็ปลดมเหสีของตนแล้วก็แต่งงานกับน้องสะพายแทนยอนผู้ให้บัพติศมาผู้ที่กล่าวว่าพระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงเป็นผู้ที่กล่าวติเตียนการกระทําของกษัตริย์เฮโรดอย่างจงแจ้งเฮโรดจึงจับยอนขังไว้ในคุกครับและคุกนั้นก็คือป้อม มาคาคัสมาคาคัสนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณภูเขาใกล้ทะเลตายไม่นานครับหลังจากที่ยอนถูกจำคังพระเยซูก็เสด็จจากยูเดียและเริ่มพระราชกิจในแคว้นตะลุลีเจ็ดเดือนผ่านไปนะครับปรากฏว่ายอนส่งคนมาหาพระเยซูพี่น้องครับพี่น้องลองนึกภาพยอนในคุกนะครับชายผู้ซึ่งใช้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตในถิ่นทรกนันดาร อยู่ในทุ่งโล่งกว้างมีอากาศปลอดโป่งแจ่มใสเวลาแสงแดดออกนะครับก็จะเป็นแสงแดดที่ทำให้เกิดความอบอุ่นมากนะครับและไม่เพียงแต่อบอุ่นนั้นนั้นในช่วงกลางวันก็ยังร้อนด้วยกลางคืนก็หนาวครับเวลานี้ยอนซึ่งอยู่ภายใต้ธรรมชาติเคยอยู่ในธรรมชาติอย่างอิสระเสรีปัจนี้ต้องทน อดอู้อยู่ในคุกใต้ดินครับมีกำแพงรอบๆทั้งสี่ด้านก็สุดจะทนทานนะครับสำหรับยอนผู้ให้บัปปิศมาผู้นี้แล้วก็ที่ทุกทรมานไม่แพ้กันก็คือต่อไปนี้ยอนไม่มีโอกาสเทศนารับใช้พระเจ้าอีกแล้วครับแล้วเขารู้ว่าวาระสุดท้ายของเขามาถึงเป็นชีวิตที่น่าสงสารในสายตาของคนอื่นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะน่าสมเพชครับแต่พี่น้องครับ บางคนหารู้ไหมครับว่าพระเจ้าได้เตรียมทางที่ดีที่สุดสำหรับยอนเพราะยอนนั้นได้เสร็จสิ้นภารกิจของเขาพี่น้องครับเมื่อเขาอยู่ในป้อมมักะครัสหรือคุกข่าวๆเกี่ยวกับงานการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทําคงจะไม่ประติดประต่อกันครับสาวกของยอนก็ยังมีความจงรักภักดีกับยอนแล้วก็นาข่าวคราวเกี่ยวกับพระเยซูมาเล่าให้ยอนฟังเป็นบางครั้งบางคราว ทำให้ยอนั้นก็มีความทุกซ้อนทุกจึงเกิดภาวะวิกฤตครับทำไมถึงเกิดภาวะวิกฤตครับเพราะความทุกนั้นมันซ้อนความทุกทำให้ยอนั้นเกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่งครับขณะที่ตัวของเขานั้นถูกจับเขาเกิดความลำบากทนทุกข์ทางด้านร่างกายแต่จิตใจเขาก็ทนทุกข์เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทำผู้ที่เป็นผู้ ที่เดินต่อมาคือพระเยซูนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่พระเยซูจะเป็นหรือจะไม่ใช่เป็นพระคริสต์ไม่ใช่เป็นพระมาสีย์นะครับนี่คือความกรวนกระวายใจของยอนที่อยู่ในคุกยอนจึงตัดสินใจส่งสิทธิสองคนมาหาพระเยซูครับและฝากมาถามพระงว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะต้องคอยผู้อื่น พี่น้องครับในใจของยอนั้นมีความเชื่อลึกๆว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮาแน่ครับแต่เนื่องจากว่าสภาพร่างกายของท่านภาวะวิกิตของท่านทําให้ท่านนั้นมีความสับสนครับในขณะเดียวกันท่านต้องยืนยันสิ่งที่ท่านเชื่อมาตลอดนะครับสามสิบกว่าปีที่ท่านเชื่อมาตลอดและท่านรู้จักพระเยซูด้วยเพราะว่าท่านกับพระเยซูนั้นเป็นญาติกันครับพี่น้องครับ ทำไมยอนจึงถามอย่างนี้ครับพี่น้องครับเราได้เ ด, ดานะครับว่ายอนมีความหมายว่าอะไรเขาหมายความว่าไงยิงถามเช่นนี้ยอนว้าวุ่นใจนะครับเมื่อตอนเองซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมหนทางสําหรับพระเมสสิยาห์จะต้องมาติดคุกครับตอนนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วและเขาอาจจะต้องสิ้นแก่ความตายด้วยซ้ําบางทียอนอาจจะทุกข์ใจและผิดหวังครับยอนเป็นมนุษย์ธรรมดาธรมดาเหมือนเราและเราทุกคนก็ต่างพบกับ เวลาหรือคราวที่เราไม่เข้าใจสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรายอนอาจจะทูลถามเรื่องนี้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสิทธิเหล่านี้แหละคือผู้ที่ข้องใจว่าทํำไมผู้นําของตนจะต้องมาอยู่ในคุกแล้วก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดต่อไปด้วยยอนอาจจะต้องการให้พระเยซูช่วยตอกย้ําความมั่นใจแก่สิทธิ์ของตนในขณะเดียวกันครับยอนก็ได้เคย ให้สิทธิ์ของตัวเองนั้นไปเป็นสิทธ์ของพระเยซูนะครับบางครั้งบางทียอนอาจจะกําลังจะส่งสิทธิ์ของตัวเองไปหาพระเยซูครับเหตออุผลนี้ประการหนึ่งซึ่งเด่นชัดมากในสมัยนั้นก็คือว่ายอนคงไม่เข้าใจเป้าหมายที่พระเมสสิยาเสด็จมาชาวยิวทุกคนรอคอยกษัตริย์ครับกษัตริย์ในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ที่ขี่ม้าขาวเป็นอัศวินเพื่อที่มาปลดแอกความเป็น ความเป็นทาสออกจากพวกโรมยอนอาจจะคาดหวังให้พระเมสสิยาห์หรือพระเยซูจะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้และปลดปล่อยอิสราเอลจากอำนาจปกครองของโรมอาจจะเป็นไปได้ครับว่ายอนกําลังสงสัยว่าจะมีคนอื่นมาแทนพระเยซูเพื่อตีบตั้งอาณาจากักรนี้พี่น้องครับหลายๆครั้งในชีวิตของเราก็สับสนนะครับเหมือนกับยอนแต่ขอให้เรามั่นใจขอให้เรามั่นใจในน้ําพระทัยของพระเจ้าว่า ภารกิจการทรงเรียกการรับใช้ตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบของเรานั้นคืออะไรแล้วพระเจ้าจะทรงนำเราตลอดไปอาเมน